ที่วัดป่าหัวตลบวนารามวันที่สามกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเรื่องเหตุที่ต้องถอนอธิษฐ า, านโดยหลวงตาโรงศักขีนารโยแผ่นถอนคืนคำอธิษฐานเดี๋ยวนี้ก็จะสวดทั้งสี่แผ่นนะแผ่นถอนคืนคำอธิษฐานเนี่ยผู้ใดปรารถนาจะถอนก็ถอนไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องสวด ก็นั่งฟังเข้าไปใครปารถนาจะถอนคืนคำปฏิฐานก็ก็สวดไปเอ่อตวจไปเนี่ยไพร้อมๆกันนั่นแหละแต่ถ้าไม่ไม่ปรารถนาจะสวดก็ไม่ต้องสวดที่ถอนคืนคำปวิฐานก็เพราะว่าบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีคำตรวจถอนคืนคำปฏิฐานพอทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาจนถึงในชาตินี้เราไม่รู้ไปขออะไรมามั่วตัวไปหมดนะขอเจอต้นไม้ลูกกอตเวดาพระภูมิเจ้าที่ ต้นตะเคียนต้นอะไรก็ขอขอขอขอสารพัดจะขอที่ฐานอะไรก็ไม่รู้ข อ, ขอนู่นขอนี่มันก็เลยผูกทบกันไปทบกันมาจากกนกระทั่ง เ, เราเนี่ยดิ้นไม่หลุดด้วยไอเ้เงื่อนไขที่เราไปขอผูกนั่นผูกนี่ลูกนั่นผูกนี่นนนจะลราก็ไปขอนู่นมาขอนี่มาขอให้ตัวเราเสร็จก็ไปขอให้ลูกขอให้ผัวขอให้เมียขอให้พ่อแม่พี่น้องขอเป็นผูกไปหมดที่ลงุงจุงนางไปหมดเลยตอนนี้ก็กลายเป็นได้ปมผูกพันกันยุ่งเหยิงทุกภพทุกชาติจนถึงในชาตินี้ก็ไม่รู้ขออะไรเจะเท่าไหร่ ไม่รู้ไปสาบานอะไรไว้เท่าไหร่ไม่รู้ไปให้คํามั่นสัญญากับใครไว้เท่าไหร่จําไม่ได้ก็ดีจําได้ก็ดีรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีเนี่ยไม่รู้ไปตั้งปรารถนาอะไรไวไว้เยอะแยะมากมายที่มันเป็นผิดผิดก็ถอนใะให้หมดล้างทีเดียวเลยเป็นการล้างล้างเหมือนกับเป็นไวรัสในโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมันเยอะมากเกินไปจนล้างทีละตัวไม่หมดไม่รู้จะล้างอะไรก็ก็สแกนทั้งหมดเลยสแกนมันหมดทีเดียว แล้วก็เอาใหม่ตั้งต้นใายใหม่ใส่ข้อมูลใหม่ข้อมูลที่ถูกถูกใหม่จึงต้องมีการถอนคืนในฐานทั้งหมดในส่วนในแผ่นถอนคําสาบแช่งบางคนก็บอกว่าไม่ได้สาบแช่งอะไรไม่ต้องถอนแต่เราเนี่ยเวลาใครที่เราทําอะไรไม่ใครทําให้เราไม่ถูกใจหรือใครเราเราเห็นอะไรไม่ถูกใจแล้วเราก็เราก็พูดไปเลยนึกไปเลยอย่างเนี้ย เช่นใครมาทําอะไรไม่ถูกใจแล้วก็บอกเออเดี๋ยวขอยมึงได้รับกรรมอย่างที่มึงบ้างอย่างเงี้ยก็คือแช่งแล้วเมาเลยไปผู่พันติดกันต้องแกะต้องชดใช้นี่กรรมฆ่ากันไปฆ่ากันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมาเกียวกันไปเกียวกันมาเกียวกันไปเกี่ยวกันมาโกงกัไปโกงกันมาเพราะไอ้แช่งนี่เนี่ยแตงคําสาบไว้อาคาตแครนปู่มใจเจ็บพยาบาทไว้นี่เนี่ยมาเลยต้องถอนเอบางทีเราไม่ไม่รู้ตัวบางทีเราไปอ่านหนังสือพิมพ์ก็ไปอะไรเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ย แล้วปู่บ้านนั่นจะพูดยกอย่างเสมอคนร้ายนี่ก็บอกว่าใครจับเป็นก็ได้จับตายก็ได้ใครรางวัล น, นําจับสูงต่อมาวันต่อมาคนร้ายถูกยิงตายเออเราก็เลยบอกว่ามันตายซะก็ได้ดีขอใมันไอ้นี่ยมันไอ้มันไปตกละลกไปอะไรเงี้ยนี่เราไปแจ้งเขาโดยไม่รู้ตัวแต่กรรมนั้นมันก็เลยตกมาถึงเราเลยตอนนี้กรรมนั่นก็ตกมาถึงเราหรือเราไปเห็นในพอรทัดไปเห็นใน อินเทอร์เน็ตในไลน์ในอะไรเนี่ยที่ก็ทำบาปกรรมไว้เนี่ยเราก็เห็นคนเข้าไปแช่งก็มีแต่โดยที่เราแช่งโดยไม่รู้ตัวว่าเออไอ้นี่มันไอ้เขาเรียกอะไรนะเออมันทําบาปกรรมหนักมากเลยเขาเรียกว่าใจสัตว์มากเลยทําร้ายทรมานสัตว์มากขอให้มันได้รับผลของกรรมอย่างนี้บ้างอันนี้เราไปแช่งเขาแล้วแล้วผลอันนี้ยผลกรรมอันนี้ยมันตกมาถึงเราเลยเพราะว่าเราจิตไปเชื่อมเขา ถ้าเราไม่เอาจิตไปเชื่อมอะไรเนี่ยผลกรรมมันมาถึงเราเหมือนกับว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเดินอยู่ตามสายไฟของมันเดียร์เราก็หาเรื่องไปจับมันเข้าเอาจิตไปจับเข้าพราอจิตไปจับไฟฟ้ามันก็เข้ า, ขามาหาเราเลยตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยโรคทุกอย่างในรักษาหายหมดเพราะว่าได้หมอชีวกกาคารมาพัฒน์หมอชีวกกาคารมาพัฒเป็นหมอที่เก่งมากเป็นหมอเทวดาแต่มีโรคประจําพระองค์เนี่ยรักษาไม่หายก็คือโรคปวดหัว โรคปวดหัวรักษาไม่หายพุทธเจ้าเนี่ยโรคง่ายๆเนี่ยรักษาไม่หายพุทธองค์บอกว่ามันเป็นโลกกรรมของพระองค์ที่รักษาไม่หายเพราะว่าในชาติก่อนนั้นน่ะองค์เคยเกิดเป็นคนอยู่ไอชายทะเลแล้เห็นชาวชาวประมงเนี่ยเขาฆ่าปลาได้เยอะพระองค์ไปยินดีไปยินดีกับเขาเลยกรรมที่ไปยินดีกับที่เขาฆ่าปลาได้เยอะเลยผลมันเข้ามาถึงตัวเองเลยตอนนี้พอเกิดมาโรคปวดหัวรักษาไม่หายรักษาไะไรก็ไม่หายเพราะเป็นโลกกรรม ที่ไปยินดีกับที่ฆ่าพระชาวประมงเขาค่าปลาได้เยอะนี่แน่การปฏิบัติทำไมเรยจึงต้องมาปฏิบัติก็ปฏิบัติให้รู้เท่าทันใจของตัวเองความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราเองให้รู้เท่าทันจะไปแช้งใครจะไปยินดีจะเป็นหลายปล่อยให้ให้รู้เห็นอะไรก็ให้ใจมันเป็นกลางไว้เออใครทำกรรมเ้าก็รับเข้าไปเองเนี่ยแต่เราจะไปแช้งเขาว่าจะไปผสมลงพอเราไปผสมลงกรรมนั้นก็เลยเราบวกไปด้วยหรือตอนนี้พอเราไปบวกบวกมันก็เลยกรรมนั้นก็มาบวกที่เราเพราะเราไปบวกบวกเข้า หรือเราไปลบๆเข้าไปไปยินไล้ไปไม่ไพอใจเขาเข้าไปเพ่งโทษเขาเข้าตอนนี้มันก็เลยตอนนี้มันก็เลยติดเข้ามาหาเราเลยตอนนี้ยถ้าเราเป็นกลางอยู่ดีๆใครจะใครจะเป็นยังไงใจเรานิ่ผ่านเป็นพอใครจะเป็นยังไงใจเรานิ่ผ่านเป็นพออย่าเข้าไปยินดียินร้ายกรรมนั้นก็ไม่มาถึงเราก็ไปรู้พรนิพพานไปจบไม่ต้องมาเวียนว่ายใจเกิดรับกรรมอีกแต่ถ้าเรายังดินดียิน้ายกรรมนั้นก็เข้ามาเราก็วเราก็จบไม่ได้เพราะว่า ไอ้คำที่เราเข้าไปยินดียินร้ายไม่จบสักทีมันเลยตอนนี้อ๋อในในกระพานมาแล้วหลายภพหลายชาติจนถึงในชาติจะมาถอนมันซะให้หมดล้างใหม่ดีลิทไปเครื่องโทรศรัพท์มันโดนไวรัสเยอะล้างเครื่องก็ทีเดียวเดี๋ยวใส่โปรแกรมใหม่โมไปล้างทีละตัวทีละตัวล้างไม่หมดไม่รู้อะไรมั่งกันไม่รู้ไปแช่งอะไรมั่งกันเลยเนี่ยตอนนี้มันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยมันคนก็บอกไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทำํำอย่างนี้นเถียงกันแน่แต่ไม่รู้ว่าทําไปเท่าไหร่เลยเนี่ย ส่วนทำขอเขามาไม่รู้ล่วงเกินเลยเท่าไรแล้วมากมายก่กองทั้งดีเพ่งโทษคนนั้นเพ่งโทษคนนี้อไอการที่เราเพ่งโทษกันเนี่ยมันก็คือไม่รู้ว่าใครเป็นใครมั่วตัวไปหมด่เราไปเพ่งโทษเขาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคตข้างหน้าสัตว์เดรัจฉานหลายชนิดมาเกิดรูปเจ้าเราก็ไปเพ่งโทษเขาคนไม่ดีคนชั่วอะไรทั้งหลายก็มาเกิดเป็นบุตรเจ้าก็มี แม้แต่เทวทัตที่เคยชั่วที่เคยทํากระทาความผิดทําลเหตุไแรแรงกับพุทรเจ้ามากมายแต่เทวทัตที่สุดก็ไปเกิดเป็นพระปเจกพุทธเจ้านเพราะนี่ <Chand Weird. S 1> นนเราไปเพ่งโทษเขาไม่ได้มันไม่แน่เลยเพวกเรานั้นอาจจะไปเป็นพุทธเจ้าก็ได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็เพ่งโทษเขาไม่ได้คนชั่วคนบาปกรรมก็อาจจะไปเกิดเป็นพุทธเจ้าได้ไปเป็นพระอรหันต์ได้แม้แต่องค์ปริมานทําบาปกรรมไว้มากฆ่าคนไว้เยอะที่สุดก็มาบรรลุอรหันต์ได้ มันไม่แน่เลยทุกอย่างเดี๋ยวไปเพ่งโทษใครไม่ได้ใครจะเป็นยังไงใจเราเป็นนิพพานบริสุทธิ์ผุดฟองเป็นพอใครจะเป็นยังไงใจเรานิพพานเป็นพอใครจะเป็นยังไงใจเราเป็นนิพพานเป็นพอให้ให้นึกรู้สึกอย่างนี้ในใจตลอดเวลาเหมือนกันเพ่งโทษคนนั้นเพ่งโทษคนนี้เพ่งโทษคนนั้นเพ่งโทษคนนี้ยินดีกับพอใจกับสิ่งนั้นยินดีๆพอใจกับสิ่งนี้ยินไล่กับสิ่งนี้ไม่พอใจสิ่งนี้จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้อ่าตัวนี้ใครไม่อยากถอดก็อย่าถอนนะ ไม่มีการบังคับกันในนี้นโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสั <trad slippers S 3> ono, มม <assumed S 1> า, าいいสัมพุทธะนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะถ้าหากในชาติหนึ่งชาติใด <taxpayers. S 2> จนถึงในชาติปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าได้เคยอธิษฐานสาบานให้คํามั่นสัญญาหรือปราถนาสิ่งใดๆดังต่อไปนี้เช่นข้าพเจ้าเคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์คู่บรารมีหรือผู้ติดตามร่วมสร้างบรารมีของพระโพธิสัตว์ปรารถนาเป็นพระปัเจกพระพุทธเจ้าพระเอศทคสาวก ปรารถนาการบรลุมรรคผลนิพพานเฉพาะต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งปรารถนาท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารหรือปรารถนาว่าจะเกิดตามติดกันจะผูพกพันกันกับผู้หนึ่งผู้ใดไปทุกชาติด้วยความรักหรือด้วยความอาฆาตแค้นเกลียดชังหรือปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทําให้จะหลงผิดติดอยู่ในเดรชะฉานวิชา หรือความปรารถนาอื่นใดนอกจากนี้ทั้งที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีที่จำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีอันเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ข้าพเจ้าสิ้นกิเลสตัณหาบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน่ถอดถอนคำอธิษฐาน คำมั่นสัญญาคำสาบานหรือความปรารถนาทั้งหมดเหล่านั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะและความเมตตาอันไม่มีที่สุดไม่มีประมานจากพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระคุณบิดามารดาพระคุณครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณและบุญบรารมีที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วทุกภพทุกชาติจงรวมกันเป็นตบากเดชะพระปัจจัยดลบันดาลให้ถอดถอนคืนหรือลบล้างมิจฉาทิฏฐิคำอธิษฐานคำมั่นสัญญาคำสาบานหรือความปรารถนาเหล่านั้นได้เสียทั้งหมดและขอให้เกิดสติสมาธิปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ สิ้นกิเลสทั้งหมดในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเธอเอถอนคำอธิษฐานสาบแช่งข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานถอนคำสาบถอนคำแช่งถอนคำสาบาน ที่กัปปเจ้าได้ตั้งขึ้นถึงพร้อมแล้วด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปาทานด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยมานะด้วยมิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียนสร้างเวรสร้างกรรมไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยวินัยไม่ประกอบด้วยกุศลไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบได้บรารมีที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้สาบไว้แช่งไว้สาบานไว้ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีรละลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งหมดทั้งสิน้นทำขอขามาข้าพเจ้าเห็นโทษ และสำนึกในโทษบาปกรรมที่ได้ทำมาแล้วซึ่งทำให้ตนเองและผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนมาม า, มากแสนมากหลายภพหลายชาติจะถึงในชาติปัจจุบันนี้กว่าจะรู้เดียงสาในชาตินี้ก็ผิดศีลผิดธรรมมาไม่เช่น้อยอา่าพระเจ้าเคยล่วงเกินตำหนิติเตียนต่อพระพุทธพระธรรมพระยะสงพระพุทธศาสนาบิดามารดา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระพุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจ้ากรรมนเวรหรือผู้หนึ่งผู้ใดด้วยกายวาจาใจทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีปฏิบัตินี้ข้าพระเจ้าสมฤกธิดแล้วจากใจจริงๆขอกราบขอขอมาต่อทุกท่านได้โปรดอดโทษ แก่ข้าพเจ้าอย่าได้เป็นโทษบาปเป็นกรรมแก่ข้าพเจ้าอีกเลยและในทางกลับกันถ้าท่านผู้ใดเคยล่วงเกินแก่ข้าพเจ้าทางกายวาจาใจข้าพเจ้าก็ขอให้โหสิกรับให้อภัยทั้งหมดไม่ขอจองเน็นจองัมอาฆาตเปลียนเปลีย่ยนกันอีกต่อไปข้าพรเมตาแค่สุดท้าย อังสุกิโตมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงถูกนิทุกโกมีจงเป็นผู้ไรทุกอเวลโลมีจงเป็นผู้ไม่มีเวอรอปยาปโจมีจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอะนิโคมี จงเป็นผู้ไม่มีดุตุกีอาตา낭บาลิหารามีจงลากษาตนอยู่เป็นสุขสเดสาปเพสัตสาตุกิตาโอนตุขอตทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสาปเทสาตาเวลาโอนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวรสาเปสาตาพยาปชาโอนตุลขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนถึงกันแลกกันสาเปสาตานิกาโออนตุมขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีูุ สัพเพสัตตาสุกิอาตานาริยารันตุมขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงลาบสาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตสวาลุกะปะมุญจันตุมขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ั้งมวลสัพเพสัตตลาสะสามปฏิโทมาวิกาฉันตุม พอสัตต hey, ังหลายทั้งพวงจงอย่าได้พลาดการสมบัติอันตนได้แล้วสเปเสะตากรรมะสักากรรมะดายากรรมะโยนีกรรมะพันธุกรรมะปาติสารานัมสัตว์ตั้งหลายทั้งพวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นบทติสามมีกรรมเป็นที่เบืองอาสอยยังกรรมมังกริสันตีกัละยาหนาังวาปะปะกังวามตาสาดาญาตาปวิสันตีอยากทำกรรมอัใดไว้เป็นบุนหรือเป็นบาปจะากต้องเป็นผู้ได้ละผลกรรมนั้นนั้นตือนไฟ สาเพ ส, ะะสทะทะัตตสัตถาอนตุอเวลาตุกาชิวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันจงเป็นผู้ดำลงชีพยอยู่เป็นสุขทุเมื่อเธอิดกาทางบุญอย่างพลังไม่ห้งางจับเป็นภาคีพระวันตุเทมขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงได้เสวยบนบุญพี่ข้าพระเจ้าได้ความเห็นด้วยกายวาจาใจแล้วนั้น